อามันตายามิโวภิกขเวขยาวะธรรมมาสร้างฆาราอปมาเดนะสัมปาเดทะดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงบำเพ็ญประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิด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 ปชิ ม, มโอวะี้ก็จึงถือว่าสำคัญมากให้พากันใส่ใจอันประโยชน์นั่นนะ่ะมันก็มีอยู่ถึงสามอย่างนน่นประโยชน์ตนอย่างหนึง่งแล้วก็ประโยชน์ผู้อื่นอย่างหนึง่งแล้วประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานอย่างนึง พูดถึงประโยชน์ที่เราจะต้องบำเพ็ญแล้วมันก็มีอยู่สามประการอย่างนี้เองเนี่ยถึงพระศาสดาได้ทรงสั่งเสียให้พุทธบริษัททั้งหลายให้ตั้งอยู่ในอัปมาทธรรมคือความไม่ประมาทเพราะว่าชีวิตนี้มันมีขอบเขตจำกัดเราเกิดมาแต่ละชาติ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 ไม่ใส่ใจในธรรมะแล้วมันก็ตกเป็นธาตุของกิเลสตัณหากิเลสตัณหามันก็จูงไปได้ตามประสงค์เท่านั้นเองแหละคิดดูให้ดีบคุคคลผู้ที่จะไม่ไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาได้ก็เพราะมาฝักไข่ในธรรมมาทำความยินดีในพระธรรมคำสอนของพระเจ้า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 อย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้มาใส่ใจในพระธรรมคำสอนสิ่งใดหนอที่พระองค์เจ้าทรงสอนในละให้เว้นถ้าไม่คิดไม่ดำรอตรีตองมันก็ไม่รู้ไม่เห็นถึงมันรู้มาแล้วมันก็ลืมเมื่อไม่ทบทวนดูแลนะ้วน่ะวิสัยของพุตตชนนี่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 ไม่รู้อำนาจแก่ตัญหาที่เกิดขึ้นภิกษุเราใดเป็นใหญ่เป็นประธานในสง์เคารพนับถือภิกษุเหล่านั้นเชื่อฟังถ้อยคำของท่านนี่ไม่รู้อำนาจแห่งตันหาที่เกิดขึ้นในใจยินดีในเสนาสะนะปานั่นแหละ ตั้งใจอยู่ว่าเพื่อนภิกษุสามเณรซึ่งเป็นผู้มีศีลซึ่งยังไม่มาสู่อาวาสขอให้มาที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขทำเจ็ดอย่างนี้ตั้งอยู่ในผู้ใดผู้นั้นไม่มีความเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวนี่อปริหานิยธรรมเจ็ดอย่างให้พึ่งพากันพิจารณาดู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 ที่ได้ลงมติกันไว้แล้วอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าพร้อมเพียงกันช่วยกันทากิจที่หมู่ที่คณะตกลงกันไว้แล้วนั้นให้สำเร็จรุ่งลงไปด้วยดีอย่างนี้แหละพระศาสดา ท, ทรงแสดงธรรมเหล่านี้ไว้นะก็เพื่อที่จะให้ พุทธบริษัททั้งหลายนั้นได้รู้จักหนทางความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของตอน่ะเพราะว่าการมันประชุมกันเนืองนิน้นี่มันเป็นเหตุให้เราได้ความรู้ความฉลาดจากการประชุมนั้นเพราะว่ามติของคนหมู่มากนั้นพี่รู้สองน้องรู้หนึ่ง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 เมื่อฟังเข้านานไปมันก็ซึมซาบเข้าสู่จิตใจมันก็ค่อยจำได้ไปทีละเล็กทีละน้อยไปถ้าหากว่าผู้ใดชอบใจในธรรมจริงๆเนี่ยแต่ถ้าจิตใจมันเบื่อหน่ายไม่ชอบแล้วแม้นจะฟังอยู่จนเท่าแกชา่ชราโนนมันก็ก็ไม่ได้ความเลยจำอะไรก็ไม่ได้เลยเเพราะว่าใจมันไม่สู้นี่ ใจมันไม่ยินดีพอใจอเมื่อมันไม่พอใจแล้วมันก็เอาใจไปทางอื่นโน่นส่งใจไปทางอื่นโ น, น่นไม่ได้เอาใจจดจ่อต่อคําสั่งสอนเลยเช่นนี้แล้วมันจะรู้ได้ยังไงอะ่ะบางคนก็นั่งหลับฟังไปเลยฝันไปเลยอย่างนี้นะมันจะรู้ได้ยังไงเล่เาเพราะฉะนั้นการฟังธรรมนี่นะ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 นำไปสู่ความสุขความสงบทางด้านจิตใจนี่คำสอนของอุเธเจ้านะที่ท่านนำมาแสดงเน้นำสั่งสอนนี้ล้วนแต่เป็นอุบายวิธีทำใจให้สงบทั้งนั้นเลยอันนี้แหละเรียกว่าประโยชน์ตนน ะ, ะเรากำลังทำประโยชน์ตอนอยู่ในที่ประชุมกำลังฝึกใจกำลังน้อมใจลงสู่ความสงบ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 มันถึงจะเข้ากับที่ประชุมนั้นได้อย่างนี้นะแล้วก็รู้จักบุคคล น, นะรู้จักเลือกบุคคล น, นะว่าผู้นี้เป็นคนดีควรคอบผู้นี้เป็นคนไม่ดีไม่ควรครอบเป็นตน้นเหล่านี้ล้วนจะเป็นคุณธรรมที่น่าปฏิบัติตามทั้งนั้นเลยผู้เรียนทำเรียนวินยัย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 ถ้าผู้ที่ใจคอไม่หนักแน่นแล้วก็ไปโกรธตอบกันไปแสดงกิริยาหยาบโลนต่อกันและกันไปเราเลยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแบบ น, นี้นะนั่นนะผู้สั่งสอนผู้อื่นก็เลยพลอยเหลียวไหลไปตามกันคล้ายๆกับว่าตาบอดคำช้างนั่นนี <c> ่ <oughs> ผู้ใดคำตรงไหนก็ว่าตรงนั้นแ่ะเป็นช้างนะ อย่างนี้เพราะฉะนั้นนะผู้ที่จะแนะนำสั่งสอนผู้อื่นนะมันต้องสอนตนให้ได้สะกอนอย่างนี้แหละที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงสั่งเสียนะให้บําเพ็ญประโยชน์ตนและผู้อื่นนะั่นนะให้พึงเข้าใจถ้าหากว่าสังเกตเห็นว่าตนนั้นใจคอยัง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 เป็นบาปเป็นอกุศลความคิดอย่างนี้นะไม่ควรที่จะใช้กายวาจาทำพูดต่อไปพี่นะเห็นอย่างนี้แล้วผมก็งดไม่คิดถึงสิ่งที่เป็นบาปอากุศลนั้นแล้วก็ไม่ใช้กายวาจาทมต่อไปนี่อย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่สามารถที่จะละกิเลสปาประทับได้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 ถ้าเมื่อไม่อธิษฐานใจอย่างนี้มันไม่เอาใจจดจ่อเลยมันไม่คิดที่จะละความชั่วเหล่านั้นหลุดสุดแล้วแต่คิดได้คิดได้ก็จึงคิดละคิดปล่อยคิดวางไปถ้ามาคิดไม่ได้แล้วก็แล้วไปเลยอย่างนี้แนละ้วกิเลสหรือความชั่วนั้นมันมันจะไม่หมดไปจากกิจใจได้เลยเพราะฉะนั้นอธิษฐานบารมีเนี่ย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 เป็นประโยชน์ตอนแล้วผู้อื่นแล้วข้าพเจ้าจะลงมือทําไปเลยจะไม่เกียดคร้า น, นจะตั้งอกตั้งใจทําให้เต็มความสามารถอย่างนี้นเมื่อได้อธิษฐานใจลงว่าอย่างนี้แล้วมันก็ตั้งอกตั้งใจแหละคนเรานะอมันเป็นงั้นถ้าไม่ได้อธิษฐานใจว่าอย่างนี้แล้วมัน ใจมันลอยอะ่ะไม่ได้ตั้งอกตั้งใจเลยอะ่ะทําไปเท่าที่มันจะได้เอคิดได้ก็ทําไปเอคิดไม่ได้ก็แล้วไปเลยก็เมื่อไม่อธิษฐานใจไว้อย่างนี้มันไม่มีสิ่งใดมาเตือนใจเนะคิดดูให้ดีเมื่อเราอธิษฐานไว้อย่างว่านี้แล้วบุญกุศลที่เราทํามาเนี่ยามาเตือนใจให้ระลึกได้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 ทานองที่ว่าเส้นผมบางภูเขานักปราชญ์ท่านกล่าวไว้นั่นนะนับว่าเป็นความจริงเลย